ภิกษุใช้มือฉีกผ้าเย็บจีวรเป็นต้นสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายใช้มือฉีกผ้าเย็บจีวรจีวรมีแนวไม่เสมอกันภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตมีดมีผ้พาพันสมัยนั้นมีดมีด้ามเกิดขึ้นแก่สง ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้มีดมีด้ามสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวพัคคีใช้ด้ามมีดชนิดต่างๆคือทําด้วยทองทําด้วยเงินคนทั้งหลายตําหน์ประนามโพลธนาว่าเหมือนครหัดผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้ด้ามมีชนิดต่างๆรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ด้ามมีทำด้วย ก, กระดูกงาขาวสัตว์ไม้อ้อไม้ไผ่ไม้ธรรมดาครั่งมเมล็ดผลไม้โลหะกระดองสัง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 ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทาด้วยน้ำพึง่งฝุ่นศิลาแตกภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีรพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ผ้ามัดขีพึ่งพอกฝุ่นศิลา เรื่องไม้เสดงเป็นต้นสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายตอกหลักลงในที่นั้นนั้นและผูกขึงเย็บจีวอนมุมจีวอนเสียภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้เสดงเชื่อผูกไม้เสดงให้ผูกลงในที่นั้นนั้นเย็บจีวรภิกษุทั้งหลายเขงไม้เสดงในที่ไม่เรียบ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 เราอนุญาตไม้สดึงเล็กไม้ประกอบสี่ไม้สำหรับสอดเข้าระหว่างจีวรสองชั้นเชือกราสะดึงในกับสดึงนอกได้ผูกจีวรกับสดึงในครั้นขึงแล้วจึงเย็บจีวรระยะแนวได้ที่เย็บไม่เสมอภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทำไมยระยะไว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 ภิกษุไม่พึงใช้เท้าเปื้อนเหยียบไม้เสดงรูปใดเหยียบต้องอาบัตทุกกดสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเท้าเปียกเหยียบไม้เสดงไม้เสดงเสียหายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล พ, พ, พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้เท้าเปียกเหยียบไม้เสดงรูปใดเหยียบต้องอาบัตทุกกดสมัยนั้น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 ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบท remed remed ูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้ม claro ีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกล่องเก็บเครื่องเย็บผ้าภิกษุทั้งหลายมัวพวงอยู่แต่ในกล่องเก็บเครื่องเย็บผ้าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตถุงเก็บปลอกสวมนิ้วมือ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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิสษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ก่อคันกั้นดินที่ถมสามชนิดคือคันที่ทำด้วยอิฐคันที่ทำด้วยศิลาคันที่ทำด้วยไม้พิสษุทั้งหลายขึ้นลงลำบากพิสษุทั้งหลายจึงนาเรื่องนี้เปิดกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าพิสษุทั้งหลายเราอนุญาตบันไดสามชนิดคือบันไดอิฐบันไดศิลา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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสายโยกเป็นได้ถักเรื่องผ้ากรองน้ำสมัยนั้นน้ำในระหว่างทางเป็นอากปิยะผ้ากรองก็ไม่มี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 ภิกษุรูปที่กล่าวเตือนนั้นกระหายน้ำอ้อนวอนรูปที่โกรธ ด, ดังนี้ว่าท่านโปรดให้ภากรองน้ำผมจกดื่มน้ำภิกษุรูปที่โกรธไม่ยอมให้ภิกษุรูปที่กล่าวเตือนนั้นกระหายน้ำจนถึงแก่มรณภาพครั้นภิกษุไปถึงวัดได้เล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังภิกษุทั้งหลายถามว่าเพื่อนอ้อนวองขอภากรองน้ำท่านไม่ให้หรือภิกษุผู้โกรธนั้นตอบว่า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 ภิกษุรูปนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมคุรุษการกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยโมคโรษฉะนันเธอเมื่อถูกอ้อนวอนขอภากรองน้ำจึงไม่ให้เล่าโมคุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทาคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส ครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมิกรถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เดินทางไกลเมื่อถูกเขาอ้อนวอนขอผ้ากรองน้ำจะไม่ให้ไม่ได้รูปใดไม่ให้ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่มีผ้ากรองน้ำไม่พึงเดินทางไกลรูปใดเดินทางต้องอาบัตทุกกฎถ้าไม่มีผ้ากรองน้าหรือกระบอกกรองน้า แม้มุมสังฆาติก็ควรอธิษฐานใช้กรองดื่มได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาเรึกไปโดยลำดับจนถึงกรุงเวสาลีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนกะูตะคารสาลาป่ามหาวันในกรุงเวสาลีนั้นสมัยนั้นภิกษุทานวกรรมการก่อสร้างผ้ากรองน้ำไม่พอ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 เรื่องทรงอนุญาตกูดีกันยุงสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายถูกยุงรบกวนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกูดีกันยุงเรื่องทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟสมัยนั้นทายกทายิกาในกรุงเวสาลี จัดตั้งพัตหารปราณีตไว้ตามลำดับภิกษุชันพัตหารปราณีตจนร่างกายอ้วนจึงมีอาพาธมากครั้งนั้นหมอชีวกโกมรารพัทมีทุระต้องเดินทางไปกรุงเวสาลีเห็นภิกษุทั้งหลายมีร่างกายอ้วนมีอาพาธมากจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหน้าที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูนพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าเวลานี้ภิกษุมีร่างกายอ้วนมีอาพาธมากขอประทานพระวโรกาสพระองค์โปรโดอนุ ญ, ญาตที่จงกรมและเรือนไฟด้วยวิธีการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายจะได้มีอาพาธน้อยพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้หมอชีวกโกมารพัฒเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราจะให้อาถานแก้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาลำดับนั้นหมอชีวกโกมรารพัทผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วทูลลากลับลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกรถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายจงกรมในที่ครุขระเท้าเจ็บภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้เบิกราทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทาที่จงกรมให้เรียบ สมัยนั้นที่จงกรมมีพื้นที่ต่ำน้าท่วมพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถมพื้นที่ให้สูงดินที่ถมพังทลายพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ก่อคานกั้นดินที่ถมสามชนิดคือคันที่ทำด้วยอิฐคันที่ทำด้วยศิลาคันที่ทำด้วยไม้ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลาบาก พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบันไดาสามชนิดคือบันไดอิฐบันไดศษสิลาบันไดไม้เมื่อภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพระตกลงมาพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเราสำหรับยึดสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายจงกลมอยู่ในที่จงกมลมพระตกลงมา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 เราอนุญาตบานประตูกรอบเช็ดหน้ารูครกที่รับเดือยประตูห่วงข้างบนสายอยู่ไม้หัวลิงกรอนลิ่มช่องดานช่องสําหรับชักเชือกสําหรับชักเชิงฝาเรือนไฟชำรุะภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉาวรอบๆ เรือนไฟไม่มีช่องระบายควันพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตช่องระบายควันสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายทำที่ตั้งเตาไว้กลางเรือนไฟขนาดเล็กไม่มีบริเวณภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทาที่ตั้งเตาไฟไว้ด้านหนึ่ง ในเรือนไฟขนาดเล็กในเรือนไฟขนาดใหญ่ตั้งไว้ตรงกลางได้ไฟในเรือนไฟแผดเผาหน้าพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตดินสำหรับทาหน้าภิกษุใช้มือละเลงดินพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตรางละลายดินดินมีกลิ่นเหม็นพระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อบกลิ่นสมัยนั้นไฟในเรือนไฟแผดเผากายพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้นำน้ำเข้าไปภิกษุทั้งหลายใช้ถาดบ้างบาดบ้างนำน้ำเข้าไปพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตที่ใส่น้ำขันน้ำเรือนไฟที่มุงบางด้วยหญ้าไม่อบเหงื่อ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รื้อลงแล้วเอาดินโบกฉาบทั้งภายในภายนอกเรือนไฟมีพื้นลื่นพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ปูเครื่องลาดสามชนิดคือเครื่องลาดอิฐเครื่องลาดศิลาเครื่องลาดไม้เรือนไฟก็ยังลื่นอยู่อย่างนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ชำระล้างน้ำขังพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตท่อระบายน้ำสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายนั่งบนพื้นดินในเรือนไฟคันตามเนื้อตัวพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตตังในเรือนไฟสมัยนั้นเรือนไฟยังไม่ได้ล้อมรั้วพระผู้มีพระภาครับสั่งว่า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 ปวดแร่ยังไม่พอพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้วางศิลาเรียบน้ำขังพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตท่อระบายน้าเรื่องภิกษุเปลือยกายสมัยนั้นพวกภิกษุเปลือยกายว่าภิกษุเปลือยกายพวกภิกษุเปลือยกายว่าภิกษุไม่เปลือยกาย ผู้พิสษุเปลือกกายให้พิสษุเปลือกกายไหว้ตนผู้พิสษุเปลือกกายให้พิสษุไม่เปลือกกายไหว้ตนผู้พิสูจเปลือกกายบีบนวดภิกษุเปลือกกายพวกพิสษุเปลือกกายใช้พิสษุเปลือกกายบีบนวดพว้พิสูจเปลือกกายให้ของแปรพิกษุเปลือกกายพว้พิสูจเปลือกกายรับประเคนพู้พิสษุเปลือกกายคี้วพู้พิสษุเปลือกกายฉันผู้พิสูุเปลือกกายลิ้มรส พวกภิกษุเปลือยกายดื่มภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเปลือยกายไม่พึงไหว้ภิกษุเปลือยกายไม่พึงเปลือยกายไหว้กันรูปใดไหว้ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุเปลือยกายไม่พึงให้ภิกษุเปลือยกายไหว้ภิกษุเปลือยกายไม่พึงทำบริกรรมให้แก่ภิกษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกายไม่พึงใช้ภิกษุเปลือยกายทำบริกรรมภิกษุเปลือยกายไม่พึงให้ของแก่ภิกษุเปลือยกายภิกษุไม่พึงเปลือยกายรับประเคนภิกษุไม่พึงเปลือยกายเคี้ยวภิกษุไม่พึงเปลือยกายฉันภิกษุไม่พึงเปลือยกายลิ้มรสภิกษุไม่พึงเปลือยกายดื่มรูปใดดื่มต้องอาบัดทุกกฎเรื่องศาลาเรือนไฟและบ่อน้ำ สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายวางจีวรไว้บนพื้นดินที่ใกล้เรือนไฟจีวรเปื้อนฝุ่นภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตราวจีวรสายระเดียงในที่ใกล้เรือนไฟครั้นฝนตกจีวรเปียกฝนพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตศาลาเรือนไฟศาลาเรือนไฟมีพื้นที่ต่ำน้ำท่วมพระผู้มีพระภาครับสั่งว่ า, ภ, า, า, า, า, ภ, า, วาภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถมพื้นที่ให้สูงดินที่ถมพังทลายพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ก่อคันกั้นดินที่ถมภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบากเมื่อภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพระตกลงมา พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเราสำหรับยึดสมัยนั้นพงหญ้า ต, ตกเกลื่อนบนสาลาเรือนไฟพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รื้อลงแล้วเอาดินโบกฉาบทั้งภายในภายนอกภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตราวจีวรสายระดีงสมัยนั้นภิกษุยำเกรงที่จะทาบริเวณในเรือนไฟบ้าง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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถมพื้นที่ให้สูงดินที่ถมพังทลายภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบากเมื่อภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพระตกลงมาพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเราสําหรับยึดสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายใช้เถาวันบ้างประคตเอวบ้างผูกภาชนะตักน้าพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกสำหรับผูกภาชนะตักน้ามือทั้งสองเจ็บพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตคันโพงคล้ายคันช่างรหัสมือรหัสจักภาชนะทั้งหลายแตกจำนวนมากพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตถังตักน้ำสามชนิดคือถังโลหะถังไม้ถังหนังสมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายตักน้ำในที่แจ้งย่อมลำบากเพราะความหนาวบ้างความร้อนบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตศาลาบ่อน้ำพงหญ้าตกเกลือนในศาลาบ่อน้ำพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รื้อลง แล้วเอาดินโบกฉากทั้งภายในภายนอกทําให้มีสีขาวให้มีสีดําให้มีสีอย่างไม้เขียนลวดลายดอกไม้เขียนลวดลายเถาวันจากเป็นฟันมังกรเขียนลวดลายดอกจอกราวกีวรสายระเดียงสมัยนั้นบอ่อน้ําที่ไม่ปิดฝาผงหญ้าบ้างฝุ่นบ้างปลิวลงไปพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตฝาปิด สมัยนั้นไม่มีภาชนะใส่น้ำพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตรางน้ำอ่างน้ำสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายส่งน้ำในที่นั้นๆในอารามอารามลื่นภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทารางระบายน้า ร่างระบายน้ำโล่งแจ้งไปภิกษุทั้งหลายอายไม่กล้าส่งน้ำพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้กั้นกำแพงสามชนิดคือกำแพงอิฐกำแพงศิลากำแพงไม้บ่อน้ำลื่นพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเครื่องลาดสามชนิดคือเครื่องลาดอิฐเครื่องลาดศิลาเครื่องลาดไม้น้ำขัง พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตท่อระบายน้าสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายมีเนื้อตัวเปียกชุ่มเย็นภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ผ้าเช็ดตัว